มาบรรยายเรื่องความสุขทุกแง่ทุกมุมตอนที่สองโดยพระพรมคุณาพ์ปออประยุตโตบรรยายเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553ณวัดยาณเวสส ก, กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพราณจังหวัดนครปฐม เบีมาพูดไว้บอกว่าความหมายของความสุขคือการได้สนองความต้องการแต่เป็นความหมายที่ไม่ครอบคลุมทําไมจึงไม่ครอบคลุมคือมันคลุมในระดับโลกิยะนี่ความสุขมันเลยไปอีกมันมีความสุขในระดับโลกุตระอีกเหมือนก็เลยยังมีอีกเพื่อให้ชัดก็เลยต้องพูดถึงขั้นระดับของความสุขเพื่อแบ่งตามประเภทของความต้องการนั้น ก็แบ่งขั้นระดับของความสุขเป็นหนึ่งความสุขที่เกิดจากการสนองความต้องการที่เป็นอกุศลก็ที่ว่าเมื่อกี้ก็คือความสุขจากการสนองตัณหาอันนี้หนึ่งและแลก็สองความสุขจากการได้สนองความต้องการหรือความอยากที่เป็นกุศลก็คือความสุขแบบสนองฉันทะ แล้วก็ต่อไปอันที่สามเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่เข้ากับความหมายที่ว่ามัแล้วอันที่สามก็คือความสุขทีไขไ่ไม่ต้องขึ้นต่อการสนองความอยากใดๆไม่ต้องขึ้นต่อการสนองตระหนักไม่ต้องขึ้นต่อการสนองฉั้นทะเป็นความสุขที่เป็นอิสระ ความสุขระดับนี้เป็นความสุขที่มีอยู่ในตัวเลยถ้าเราต้องสนองก็หมายความว่าเหมือนก็ยังไม่มีใช่เราต้องทำให้มีขึ้นมาต้องหามัง่งต้องสร้างขึ้นมาบ้างแต่ขั้นที่สามนี่ความสุขที่มีในตัวไปเลยเป็นคุณสมบัติไปเลยก็เลยไม่ต้องขึ้นจากการสนองแต่ว่า ท่านที่ถึงขั้นนี้แล้วมีฉันทะอยู่เต็มทีเพียงแต่ว่าความสุขของท่านไม่ต้องขึ้นต่อการสนองชันทะนั้นต้องย้ำของนิ้นะหนึ่งความสุขที่เกิดจากการสนองตันหาสองความสุขเกิดจากการสนองชันทะสความสุขที่ไม่ขึ้นต่อการสนองทั้งตัญหาและชันทะโดยที่ผู้นั้นก็มีชันทะอยู่เต็มเปลี่ยบริบ เพราะได้พัฒนาชีวิตมากว่าจะถึงขั้นนี้นะเช่นมีแต่ฉันทะและยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าพุทธธรรมสิบแปดประการสิบแปดประการเราไม่ต้องพูดว่าอะไรบ้างละแต่เอาข้อที่ตรงกันในที่นี้คือพระพุทธเจ้าทรงมีฉันทะไม่ลดถอยเลยนั่นนะ คำบาลีว่านัติฉันทัสหานิเพราะฉันทะเน่ไม่มีลดน้อยเลยก็อยู่ในฉันทะที่ไปบำเพ็ญพุทธกิจแล้วก็แสดงเมตตากรุณาใช่ไหมโน้พระเจ้าไม่ต้องหยุดเลยสี 50, ่สิาษาเรียกภาษาชาวบ้านว่า น, นอนกลางดินกินกลางทรายเดินไปตลอดวันตลอดคืนไปทำ จะเรียกว่าหน้าที่พระพุทธเจ้าที่จริงก็ไม่ได้เป็นหน้าที่หรอกทำด้วยความเต็มใจองค์ก็ไปด้วยหมหาการุณาใช่เนี่ยกรุณาน่นก็คืออยู่บนฉันทะนั่นเองและฉันทะก็คือการไปทำงานไปซ้อนไปอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าไม่มีลดน้อยฉันทะและน่เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเลยนะการที่มีฉันทะเต็มเปี่ยมไม่มีลดน้อยเนี่ยเป็นพุทธธรรมประการหนึ่งในส8ปประการ พระพุทธเจ้าและพระารานทั้งหลายมีฉันทะเต็มที่แต่ความสุขของท่านไม่ขึ้นต่อการสนองชันทะคือท่านมีความสุขอยู่แล้วเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองในที่นี้ตมาก็เลยไปอันว่าแบ่งความสุขให้สามขั้นหรือสามระดับนี้แล้วถ้าเราจะแยกสุขสามระดับนี้เป็นภาษาง่ายๆอาจจะใช้คําทํานองนี้เสนอไป ชัดไม่ชัดก็ลองไปช่วยหาคำมาให้ดียิ่งขึ้นกันเลคือมันมีสุขที่ต้องหาก็ความสุขประเภทที่หนึ่งความสุขที่สนองตัญหาในแ่ยประเภทความสุขที่ต้องหาเพราะว่าพวกสิ่งสนองภัสสะนี่มันเป็นวัตถุมันอยู่ภายนอกต้องไปหาต้องไปเอานเป็นความสุขที่ต้องหาทีนี้ เภทที่สองเป็นความสุขที่สร้างขึ้นได้สร้างขึ้นเองได้อยากเรียนอยากรู้อยากศึกษาอยากท ำ, ทำนู่นให้ดีทานี่ให้ดีชื่นชมธรรมชาติและต่างๆเนี่ยก็เป็นความสุขที่สร้างเองได้และความสุขเภทที่สามก็คือความสุขที่มีอยู่ทุกเวลามีอยู่ประจำตัวทุกเวลาก็สุขที่ต้องหาสุขที่สร้างเองได้และสุขที่มีอยู่กับตัวตลอดทุกเวลา ก้สุขสามประเภทนี้นตอนนี้ก็ขอแทรกอันหนึ่งมีพระสูตรหนึ่งคว่ามาคันธิยสูตรตรัสเรื่องเกี่ยวกับความสุขเนี่ยความสุขที่ไปถึงขั้นสูงสุดถึงนิพพานเลยลพระพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นธรรมนองอุปมายกตัวอย่างให้ฟังถึงการหาความสุขของคน เรื่องแม้แต่ในชีวิตปกติของคนนี้ก็ยังมีการพัฒนาในด้านความสุขอยู่แล้วท้านยกตัวอย่างว่าเด็กเล็กเกิดใหม่อยู่ในวัยที่ยังไม่ลุกเดินด้ซ้ำเล่นสนุกแม้แต่มูดคูดของตนเองทีนี้พอเด็กโตขึ้นแล้วคนโตสนุกไ้ยอย่างนั้นสุขไหมในการอย่างนั้นไม่แหละ เด็กโตขึ้นมาหน่อยเจ็ดขวบ10บขวบสิบสองขวบอะไรเนี่ยก็สนุกกับการเล่นของเล่นทั้งหลายตุ๊กตาบ้างอะไรรถเล็กๆรถไฟคันน้อยๆกระบจนเล็กๆอะไรต่างๆเนี่ยเครื่องบินลำเล็กๆนก็เครื่องเล่นทั้งหลายก็สนุกกับของเล่นก็มีความสุขในการได้เล่นสิ่งเหล่านี้นต่อมาเด็กนั้นก็โตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวน ตอนนี้สนุกไหมกับของเล่นนะั้นไม่สนุกแหลนะนี่ยจะเอามาให้ก็ไม่ชอบไม่เอาเห็นมีความสุขอะไรนะีแต่สําหรับเด็กนั้นมีความสุขอย่างยิ่งเป็นของจริงจังถ้าไปแย้งเข้ามาแล้วจะเป็นจะตายเลยนะยังแม้แต่หมอนที่เขารักสุดชีวิตเนี่ยเออจะดําปีอยู่แล้วยังรักเ ข, เขาอย่างมากเนะี่ยแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วไม่ได้มีความสุขอย่างนั้นอีกแล้ว หนุ่มสาวก็จะมีความสุขอีกประเภทหนึ่งในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ขั้นหนึ่งแล้วต่อไปก็จะมีความสุขที่พัฒนาต่อซึ่งคนที่พัฒนาไปในขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยก็จะมารับทราบมองดูและมีความรู้สึกต่อคนที่เขาลังสแสวงสุขแบบนั้นเนี่ยได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเหมือนอย่างกับคนโตผู้ใหญ่ ไปเห็นเด็กเล่นของเล่นมีความสุขก็จะมีความรู้สึกของตนเองต่อเด็กที่เล่นอย่างนั้นแล้วทา่านก็เลยเทียบเนี่ยบอกว่าความสุขเนี่ยมีการพัฒนายอย่างนี้แล้วก็ยกตัวอย่างอันหนึ่งคนเป็นโรคเรื้อนคนเป็นโรคเรื้อนก็ขาด ก็คันก็เกาเกาแล้วก็ยิ่งเกาก็ยิ่งคันยิ่งคันก็ยิ่งเกาแล้วความสุขก็ได้จากการเกา่าเก่าแล้วก็มีความสุขมีความสุขจากการเกา่ายิ่งกันนั้นยังอยากจะเอาตัวไปย่างไฟอีกนะแม้ให้มันสมใจอยากนะีมันไม่สบายเลยเอาตัวไปย่างไฟร้อนเกินคนธรรมดาเนะทนไม่ไหวแล้วก็เขมีความสุขเอาละแปลว่าคนเป็นโรคเรือ้อนนี่เขาเป็นโรคอยู่ แล้วเพราะเป็นโรคนั้นแหละเขามีอาการที่คันแล้วได้ความสุขจากการเกาแล้วก็จัด ก, การยากตัวพระเจ้าก็ตรัถรสถามพรามณ์ทิพงศ์สนทนาเขานั้นบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าคนเนี่ยเขาได้พบหมอดีหมอมียาดีรักษาเขาจนหายจากโรคเรือนนั้นเขาก็ไม่คันแม้ไรและแล้เขาจงอยากจะเกาหาความสุขจากการเกาที่ขันไหม ยังอยากจะเอาตัวไปย่างไฟไหมพรามก็บอกไม่หรอกมีแต่ตรงข้ามตอนนี้ถ้าใครพาเขาไปหาไฟแล้วเขาจะหนีสุดชีวิตเลยกันเลยตรงข้ามเลยพระพุทธเจ้าก็ตัดอุปมาความสุขก็อย่างเงี้ยก็แปลว่าในมนุษย์ระดับหนึ่งก็มีความสุขจากการเก่าที่ขันและมนุษย์ที่พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งก็จะมีความสุข จากการไม่มีที่คันจะต้องเก่าทีนี้อันไหนจะเป็นความสุขแท้แต่ว่าอันหนึ่งที่เป็นสาระตอนนี้ก็คือว่าสุขภาวะโยพูดถึงสุขภาวะสุขภาพยังคนที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยไม่มีโรคอะไรเนี่ยก็ถือเป็นความสุขไหมเป็นความสุข ทำไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรระคายเสียดแทงเลยโรคนั่นแปลว่าสิ่งที่เสียดแทงอภายก็บีบคันไม่มีอะไรเสียดแทงไม่มีอะไรบีบคันเนี่ยมันก็สมบูรณ์ภาวะที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทำหน้าที่ของอวัยวะทุกอย่างได้เต็มที่อะเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุขภาวะในตัวในทางจิตใจก็คล้ายกันเหมือนกันจิตใจที่ไม่มีอะไรระคายเคี่ยงกระทบกระทั่งเสียดแทงเลยเนี่ย เป็นจิตใจที่มีความสมบูรณ์ในตัวก็เป็นสุขภาวะเป็นความสุขชนิดหนึ่งแต่ว่าเราจึงจะพูดกันต่อไปในเรื่องนี้เอาแล้วไปอันว่าตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องขั้นระดับของความสุขซึ่งไปสัมพันธ์กับเรื่องความต้องการที่ว่ามาเมื่อพูดถึงขั้นระดับความสุขแล้วก็เลยไปพูดถึงประเภทของความสุขเรื่องประเภทของความสุขนี้ในพุทธศาศาสนา พระพุทเจ้าก็ตรัสไว่มากมายเช่นแห่งหนึ่งเนี่ยตรัสความสุขไว้สิบสามคู่ซึ่งในที่นี้ไม่ได้ต้องการให้ไปนสนใจอะไรความสุขสิบสามคู่แสดงว่าความสุขเนี่ยสามารถแบ่งจําแนกได้เยอะแยะไปหมดและความสุขที่เป็นประเภทสิบสามคู่เนี่ยก็เป็นประเภทในขั้นเดียวกันบ้างหรือว่าคาบเกี่ยวเกยกันบ้างในระดับต่างๆเอาแน่นอนเลยไม่ได้ยกตัวอย่างเช่น กายิกสุกกระเจตสิกสุกขความสุขทางกายเรี ย, ว ย, ยกว่ากายยิ่กสุขความสุขทางใจเรียกว่าเจตสิกสุขอย่างนี้ก็คู่หนึ่งหละอัล้วก็เช่นสามิสสุขนิรามิสสุขความสุขที่อาศัยอามิตรต้องอาศัยวัตถุสิ่งของที่จะเสดอย่างหนึ่งแล้วความสุขที่ไม่ต้องขึ้นต่ออมิตรไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งของอะไรก็เรียกว่าเริ่มเป็นอิสระเนี่ยอีกแบบหนึ่งนี่ก็คู่หนึ่งหรืออย่าง ขีหิสุขปัพปะชิตตสุขความสุขของคริฮัสความสุขของบรรฑปะชิต น, นี่ก็คูนหนึ่งหรือว่ากามาสุขเนคขำมาสุขนี่ก็คูนหนึ่งคู่อย่างนี้ก็เป็นอ่านว่ามีเยอะแยะพระพุทธเจ้าตรัสเพื่อให้เห็นแง่มุมที่จะจําแนกแยกแยะกันให้แตกต่างเท่านั้นไม่ได้ต้องการให้เป็นเรื่องหลักอะไรมากมายเพราะว่าหลักจะอยู่ในสิ่งที่พูดเกิดไปและบางแห่งนี้แบ่งสุขเป็นทั้ง10บอย่างก็แบ่งได้เยอะแยะ ทีนี้เรากําลังพูดถึงหลักทั่วไปแล้วก็มาดูประเภททีนี้ประเภทความสุขนี่ว่าไปแล้วก็จะมีทั้งความสุขแบบจากการเสพจากการได้สนองผัสสะในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและก็ความสุขทางสังคมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้จิตมีเมตตากรุณาเป็นต้นนี่ก็ความสุขทางสังคม แล้วความสุขกับธรรมชาติการไปอยู่กับธรรมชาติมีความชื่นชมความดีความงามของสิ่งทั้งหลายอย่างพระราหันเนี่ยในคำภีมีที่ท่านกล่าวคาถาไว้แสดงความสุขในเวลาอยู่สงัดกับธรรมชาติบนภูเขาอะไรต่างๆอย่างพระหมหากระสปะเนี่ยท่านไปอยู่บนภูเขาท่านก็กล่าวเป็นคาถาแสดงความชื่นชมธรรมชาตินอันนี้ก็มีอยู่ทั่วๆไปหรือยอย่าง พระกาลุทาจีนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จไปกรุงกบิลพัทพรรณน า, นาถิ่นพรรณนาทางเสด็จเป็นคาถาพรรณนาธรรมชาติงดงามเนี่ยเท่าไรอาตมาจาไม่แม่ร้อยหกสิคาถาหรือไงเนี่ยพรรณน า, นาถิ่นพรรณนาความงามของธรรมชาติบนเส้นทางเสด็จเพื่อจะนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จไปกรุงกบิลพัท แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงรับนิมนต์คือพระอรหันจะชื่นชมมีความสุขกับเรื่องของธรรมชาติมากและอยู่กับธรรมชาติอะไรก็มีความสุขแล้วก็ความสุขที่สร้างขึ้นเองภายในมีความสามารถที่จะสร้างเองได้และความสุขในการที่ได้พัฒนาชีวิตนี้ก็จะมีความสุขไปด้วยโดยเฉพาะก็เกิดจากฉันท่านนั่นเองในการศึกษาในทางจริยธรรม จนกระทั่งว่าความสุขสุดท้ายก็คือความสุขในทางปัญญาและความสุขที่เป็นอิสระความสุขจากอิสรภาพที่สมบูรณ์ก็เยอะแยะไปหมดแต่อยากจะเน้นสามอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสบ่อยความสุขของมนุษย์ที่ตรัสบ่อยนี่ก็คือหนึ่งเรื่องการมีสุขนี่เพราะอันนี้เกี่ยวข้องกับมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นปัญหาที่มนุษย์จะต้องแก่จะต้องจัดการให้ถูก แจะต้องจัดการให้ถูกต้องก็เป็นสุขอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นการสุขสนองขัดสะอาศัยอามิธเป็นสามิ ส, สุขความสุขอีกสองอย่างก็คือความสุขทางสังคมความสุขด้วยมิตรไมตรีกิจมิตรภาพการอยู่ร่วมกันในสังคมความมีเมตตากรุณาตั้งแต่ในบ้านความสุขจากคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นลูกอยู่ดีมีสุขเวลา อธิบายเรื่องพระมวิหารสี่เมตตากรุณาเนี่ยถ้าจะยกเรื่องพ่อแม่เป็นหลักมาเป็นตัวอย่างอธิบายเริ่มที่พ่อแม่เพราะธรรมชาติเนี่ยเอื้ออยู่แล้วให้พ่อแม่มีคุณธรรมนี้โดยเฉพาะแม่ถ้าจะยกแม่เนี่ยเป็นหลักเลยเวลาอธิบายเรื่องเมตตากรุณาก็จะยกแม่ขึ้นมาเป็นตัวอย่างว่าเออแม่เนี่ยอยากให้ลูกมีความสุขเห็นลูกร่างกายสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยก็ สุขสบายอยากให้ลูกสมบูรณ์แข็งแรงอย่างเงี้ยนี่เรียกว่ามีเมตตานี้พอลูกเจ็บไข้ได้ป่วยนิดหน่อยพ่อแม่ก็มีจิตใจหวั่นไหวทนอยู่ไม่ได้ต้องไปหาทางที่จะแก้ไขบำบัดเยียวยาให้ลูกหายเจ็บห้ยไข้ให้ป่วยให้ได้ถ้าลูกหายป่วยขึ้นมาพ่อแม่ก็มีความสุขถ้าลูกยังไม่สุขยังไม่หายทุกพ่อแม่ก็สุขไม่ได้ แล้วก็ถ้าลูกประสบความสําเร็จเรียนหนังสือสอบได้ดีเลื่อนชั้นได้สําเร็จก้าวหน้าได้การได้งานทําดีพ่อแม่ก็มุติตาพร้อยมีใจยินดีเบิกบานใจมีความสุขไปด้วยอันเนี้ยมาครบเลยแล้วก็อย่าลืมว่าอุบเบกขาต้องมาด้วยนะใช่ว่าลูกเขาโตเขาแล้วเขารับผิดชอบตัวเองได้แล้วเขาแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วอย่าไปเชี่ยวยุ่มย่ามแทรกแซงในบ้านเขามากไป นต้องมีอุเบกขาไม่ใช่ว่าฉันจะทํานี่ให้เธอจะจะทำนั่นให้เธอต้องจัดอย่างงั้นต้องจัดอย่างนี้ในบ้านอะไรเงี้ยอยากจะให้ลูกมีสุขเลยลูกไม่สุขเลยให้กลายเป็นตัวเองไปเป็นเหตุให้ลูกทุกขเพราะฉะนั้นถ้านก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องหยาดอุเบกขาอุเบกขาจอว่ารู้อยู่แล้วว่าลูกเขาโตแล้วเขารับผิดชอบตัวเองได้ถึงเวลาเขาต้องรับผิดชอบตนเองเราก็คอยดูอุเบกขาก็อคอยดูนะ คอยดูด้วยปัญญาว่ามีอะไรที่จะต้องเกื้อกูลช่วยเหลือแก้ปัญหาก็จึงไปทำคอยดูอยู่ไม่ใช่ทิ้งแต่ว่าไม่เข้าไปยุ่มยากแสกแสงในเรียกว่าอุเบกขาอา้าวทีนี้พ่อแม่ก็เป็นตัวอย่างของการมีความสุขเชิงสังคมอันนี้ซึ่งจะต้องปลูกฝังให้มนุษย์มีอันนี้มนุษย์มีอันนี้แล้วก็จะมีจิตไม่แต่เพียงว่าอยากได้น่นได้นี่แล้วได้เสพแล้วสมปรารถนาแล้วมีความสุข ตอนนี้มันจะมีความสุขอย่างน้อยก็เพิ่มขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งพอได้มาทวงมาดุลกันบ้างก็คือความสุขเชิงสังคมที่ว่าเนี่ยก็คืออยากเห็นใครแล้วอยากให้เขาหน้าตาดีร่างกายสมบูรณ์งดงามผ่องใสมีความสุขอะไรเงี้ยอยากให้เขามีความสุขก็เรียกว่าเมตตาอยากให้เขาพ้นจากทุกข์ก็เรียกว่าการุณาเขามีความสุขสําเร็จยิ่งขึ้นไปก็พรอยสุขด้วยก็เรียกว่ามุติตาอย่างนี้แล้วก็ เมื่อเขาจะทำอะไรผิดพลาดเราก็วางใจอยากให้เขาดีแต่ต้องเป็นไปในทางที่ถูกต้องชอบธรรมก็อยู่ในอุเบกขาไปก็ลักษณะ4ีอย่างนี้คือธรรมะนันนี้จะทำให้คนมีความสุขเพิ่มขึ้นเพราะเป็นความสุขร่วมกันถ้าเป็นความสุขแบบกามาสุขความสุขที่อาศัยอมิตรวัตถุภายนอกเนี่ยจะเป็นความสุขแย่งกันแย่งกันสุขชิงกันสุข ฉันได้คุณเสียหรือฉันได้คุณอดบางทีไม่ถึงกับเสียแต่ว่าอดแย่งกันถ้าฉันสุขเขาก็ไม่ได้สุขหรือเขาอาจจะทุกข์ด้วยก็ไม่สุขร่วมกันเป็นการแย่งกันสุขแต่ว่าถ้าเป็นสุขในเมตตากรุณาพุทธิตาในร่วมกันสุขเขาสุขเราจึงสุขด้วยอันนี้ก็คือการพัฒนาเพราะพระเจ้าจะเน้นมากเรื่องสุขทางสังคม จึงแน่นเหลือเกิดเรื่องเมตตากรุณาพุทิตาเบขาตรัดไม่รู้กี่แห่งในด้านหนึ่งก็ตรัสเรื่องกา r m a สู่ก็จะจัดการยังไงให้มันถูกต้องใมันชอบทำให้มันไม่เสียหา ย, ยพระองค์ก็ยอมรับว่าเป็นสุขก a r m ก็มีอัศทะมีอาทีนวะแล้วก็นิสรณะนิสรณะก็มาสู่การพัฒนาความสุขที่สูงขึ้นไปก็เริ่มด้วยการพัฒนาความสุขทางสังคมความสุขทางสังคมที่มันช่วยที่เราไม่เอาใจ ไม่มามัววุ่นวายอยู่กับตัวเองเกิดไปเนี่ยบางทีไม่รู้ว่าการหาความสุขให้กับตัวเองเนี่ยทำให้ทุกข์ง่ายความสุขยางเมตตาก็เช่นอย่างที่ว่าเราเห็นคนทั้งหลายมีความสุขอยู่ดีก็เราก็มีความสุขไปด้วยมีเมตตานี่การุณานี่นอกจากว่าเราอยากเห็นเขาพ้นจากทุกข์หายป่วยหายไข้มีร่างกายสมบูรณ์ดีแล้วเนี่ย แล้วเราก็มีความสุขแม้แต่ว่าเราเจ็บไข้ขึ้นมาเนี่ยพราะเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราไปโรคนั้นโรคนี้มาทุกทรมานเหลือเกินถ้าเราโวแต่เอาใจใส่ตัวเองนึกถึงตัวเองแล้วทำไมฉันต้องเป็นอย่างนั้นทําไมฉันต้องเป็นอย่างนี้ทุกตายเลยนี่ถ้ามีกรุณานะพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้นี่เราเจ็บไข้เป็นโรคนี้ แล้วคนที่อยู่ในโลกในเมืองไทยแลนี้ที่ยากจนคนแค้นไร้ญาติขาดมิตรเขาจะเป็นยังไงเราเจ็บป่วยขณะ น, นี้เรายังมีญาติมิตรดูแลยังมีคนพาไปหาคุณหมอหรือบางทีคุณหมอก็มาช่วยรักษาหรื อ, อยังน้อยกับมีที่กินที่อยู่ที่นอนแล้วคนที่เขาป่วยอย่างนี้แล้วเขาไม่มีที่กินที่อยู่ที่นอนแล้วเขาจะเป็นยังไงนะโอ้พอนึก นึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วทีนี้โลกเจ็บป่วยของตัวเองนี่เบาเลยหมดความหมายคือแทบไม่รู้สึกเลยว่าไม่สําคัญอะไรเลยกลับเป็นเครื่องเตือนใจให้นึกว่าเออเราจะไปช่วยเขายัางไงเนี่ยมันกลับมาเป็นสัญญาณเตือนว่าเราจะต้องเร่งนะหาทางไปช่วยเพื่อนมนุษย์เหล่านั้นซึ่งมีอยู่มากมายยากจนคนแค้น มีความทุกข์น่ายาตมิตรไม่มีอะไรต่างๆขาดคนดูแลเอาใจใส่เนี่ยต้องไปช่วยคนเหล่านั้นให้พ้นทุกข์แลกลายไปว่าไอ้โรคเนี้ยมากระตุ้นเรากรุณานแล้วก็กลายไปว่าทำให้ทุกข์ของตัวนนนเนี่ยน้อยหรือบางทีก็เลยไม่ทุกข์ก็คือหมดความหมายไปเนี่ยคุณธรรมพวกนี้สำคัญมากเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นการพัฒนามนุษย์เรื่องการพัฒนาพวก คุณธรรมชันทะที่มีในเชิงสังคมอันนี้กรรมอาก็เพียงแต่ยกตัวอย่างมาเน้นให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่อันนี้แล้วมีการมาสุขที่อาศัยอามิตรที่เสพได้เอาเพื่อตัวแล้วความสุขถึงสังคมฉันแท้ที่เป็นไปต่เพื่อนมนุษย์เมตตากรุณามุติตาเบิกขาที่ทําให้เราก็มีความสุขเรื่มกับเพื่อนมนุษย์แล้วก็ตุ้นเล่าให้ไปทําความดีช่วยเหลือกันอะไรต่างๆ และมีความสุขจากการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็มีความสุขอีกประเภทหนึ่งความสุขที่เป็นภายในที่ว่าสร้างขึ้นเองได้โดยเฉพาะก็ความสุขที่เกิดพร้อมกันไปกับการพัฒนาของชีวิตหรือความสุขที่ดาเนินไปได้วยกันกับพัฒนาการของชีวิตพอเราพัฒนาชีวิตของเราจะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมอะไรก็ได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อเดินหน้าไปเนี่ยมันจะมีความสุขชุดนี้ขึ้นมา ไปความสุขข้างในความสุขชุดเนี้มีไม่เรียกว่าความสุขเพราะมันความสุขเป็นส่วนหนึ่งของนี้อะไรเป็นสภาพจิตจะเรียกว่าสุ ข, ขภาวะหรืออะไรก็แล้วแต่สภาพจิตหข้อเนี้พระพุทธเจ้าจะเน้นอยู่เสมอถ้าปฏิบัติทำได้ผลแล้วท่านจะต้องก้าวไปในห้าข้อนี้ถ้าใครไปปฏิบัติทำแล้วไม่มีห้าข้อนี้จะไปหวังที่จะประสบความสําเร็จอื พระเจ้าตรัดยกตัวอย่างอะไรแม้แต่ไปฟังธรมาเอาทำมาวิจัยมาพิจารณาแล้วเดี๋ยวก็เกิดละชุดเนี้ยถ้าปฏิบัติถูกนี่ความสุขที่เนื่องในพัฒนาการของชีวิตหรือจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่ห้าข้อเนียก็เหมือนกันแหละก็เหมือนกับชุดทางสังคมก็มีชันท้าเป็นฐานแต่ว่าแสดงออกโดยตรงกับตัวเองถ้าเรียกว่าธรรมะสมาธิมีห้าข้อ ชื่อก็แปลกนะธรรมสมาธิมีห้าอหนึ่งปราโมทความร่าเริงเบิกบานใจนะความร่าเริงบันเทิงใจปราโมทนีเน่เป็นคุณเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของจิตใจซึ่งทุกคนควรจะมีตลอดเวลามีพุทธพจน์ตรัสไว้อย่างในธรรมบทเนี่ยปราโมชะเ พ, พ่าโลภิกขุปสรโนพุทธศาสเน แล้วก็จะลงท้ายบอกว่าอธิคัดเฉไะทางสันตังสังขารูปรสมังสุขังก็บอกว่าภิกษุผู้มากได้ปราโมทรวมสายในคําสอนของพุทธเจ้าจะบรรลุ ถ, ถึงสันต บ, บทคือนิปานอันเป็นที่สงบเป็นสังขารหรือบางแห่งก็บอกทุกขัดสันตังกรฤสติจะทําทุกขให้หมดสิ้นไปก็หมายความว่าคุณสมบัติประจําใจของมนุษย์อันหนึ่งที่สําคัญ ที่แสดงว่ามีทางพัฒนาการและกําลังพัฒนาอยู่ก็คือมีปราโมดพิมาราเลิงเบิกบานใจพื้นใจตลอดเวลาถ้ามีมากเรามีหวังไปนิพพานได้อยู่ใกล้นิพพานแล้วปราโมดชาพูโลนีิภูมมากในปราโมดเนีต่อไปขออ้อ2อหนึ่งปลาโมดร่าเลิงบันเทิงเบิกบานใจสองก็ปิติความอิ่มใจปลื้มใจน สปัทธิความสงบเย็นผ่อนคลายไม่มีความเครียดไอปัสธิตตัวความผ่อนคลายเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมกายกับใจถ้ากายเครียดใจจะเครียดถ้าใจเครียดกายก็เครียดจุดนี้เป็นจุดที่เชื่อมต่อกายกับใจสำคัญปัจจิตีนั้นท่านให้มีปัสธิพรพอมีปีติอิ่มใจแล้วปัสธิก็จะมา ก็จะสงบเย็นผ่อนคลายเพราะปัสสัต ท, ทิมาแล้วสุขก็จะมาสุขมาแล้วก็สมาธิก็เกิดได้พอสมาธิมาแล้วทีนี้ก็เป็นฐานในทางจิตใจให้กับการทำงานของปัญญาปัญญาก็พัฒนาได้จะพัฒนาอะไรทั้งหลาทางด้านชีวิตจิตใจก็ไปได้ตกลงว่าการพัฒนามนุษย์เนี่ยต้องให้เกิดห้าตัว การเล่าเรียนศึกษาการทางานต้องมีห้าอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าถูกทางทาไม่ถูกล้วก็ก็ยุ่งแหละมันก็ตรงข้ามไอ้ความเครียดเป็นต้นมันก็มาปราโมดก็ไม่มีปีติก็ไม่มีปัสสัติก็ไม่มีฮะสุขก็ไม่มีสมาธิก็เกิดยากนี่ด้านหนเลยและอันนี้มันเชื่อมหมดเพราะว่าคุณธรรมในทางสังคมกับคุณธรรมในตัวเองเนี่ยมันยยงกัน พอเราไปมีเมตตาต่อผู้อื่นคือตัวเราปฏิบัติธรรมมันก็เป็นการพัฒนาตัวเองการทําประโยชน์แก่ผู้อื่นก็เป็นการพัฒนาชีวิตของตัวเองเป็นการปฏิบัติธรรมของตัวเองปฏิบัติธรรมตัวเองก็เจริญ ง, งองงามพอไปมีเมตตาปราโมทก็เกิดได้โดยปีติก็เกิดได้โดยไปช่วยคนที่เขามีความทุกข์ด้วยกรุณาเห็นเขา ร่างกายดีขึ้นหายเจ็บหายไขย้หายป่วยสบายเราก็ปิติอิ่มใจแล้วก็ความสุขอะไรต่างๆก็มาเป็นเรื่องพั้วพันกันไปหมดเป็นเรื่องเดียวกันตกลงว่ามีความสุขประเภทที่หนึ่งพวกกามาสุขพวกความสุขประเภทอามิดเนี่ยที่ท่านตรัสไว้บ่อยแต่ว่าตรัสในแง่ต้องจัดให้ดีต้องรู้จักควบคุมตรัสศีลห้า ก็เพื่อมาช่วยคุมเรื่องนี้คุมมนุษย์ให้การแสวงหาการเสพวัตถุเรื่องการมาสุขเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนแก่กันและกันก็เลยเอาสีห้ามาคุมหมายความความสุขประเภท น, นี้ต้องอยู่ในควบคุมแต่ความสุขอีกสองประเภทคือประเภททางสังคมเมตตากรุณามุทธิตาเบกขาและประเภทพัฒนาการของชีวิตชุด5เมื่อกี้เนี่ย เป็นความสุขประเภทเอื้อเกื้อหนุนต่อการพัฒนาของชีวิตและสังคมไปเองต้องข้ามเลยแทนที่จะมาเป็นตัวบีบคั้นบั่นรอนถ้าเป็นการมาสุขนี่มีหวังมาทาให้เบียดเบียนกันบั่นรอนกันก็เลยต้องข่มแต่อันนี้กลายเป็นต้องหนุนความสุขสองอันนี้มันหนุนการพัฒนาชีวิตเป็นไปในทางที่ดีอันนี้ เรื่องสุขในทางสังคมนี่ทางพุทธศาสนาเน้นมากเราจะมองข้ามธรรมะอะไรที่พระเจ้าตรัสตรัสเน้นบ่อยที่สุดสําหรับครือหัดทานพุทธศาสนาได้เริ่มก่อนทานเลยบุญญากริยาวัตถุสามหลักปฏิบัติของครือหัดที่คู่กระจายสิกขาของพระของโยมเรียกว่าบุญญากริยาวัตถุมีสามคือ ทานศีลบาวนาเริ่มทานแล้วแล้วก็โพสพิราาจะทำธรรมของพระราชาอะไรสิบอย่างหนึ่งทานก่อนทานเป็นข้อแรกเท่านั้นพระโพธิสัตว์จะบำเพ็ญบารมีบารมีสิบประการเริ่มข้อไหนทานข้อที่หนึ่งทานทางนั้นก็คือเรื่องของมนุษย์เนี่ยการเสพวัตถุการจัดสรรวัตถุการแสวงหาวัตถุเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดมนุษย์เนี่ย มีแนวคิดอย่างน้อยก็แรงบีบคั้นจากความต้องการอยู่รอดจะทำให้เขาดิ้นโลนแสวงหาเพื่อตัวเองจนกระทั่งจะได้จะเอาจะได้จะเอาจะได้จะเอาจนเป็นความเคยชินติดใจเป็นนิสัยธรรมะมาเริ่มต้นก็ต้องเริ่มขานสร้างดุลให้ตัวนี้ก่อนบอาคุณอยากคิดแต่จะได้จะเอาอย่างเดียวกันนะมันจะเบียดเบียนกันแล้วคุณเองก็เดือดร้อนด้วยต้องมีการให้บัง ก็เลยมีฐานขึ้นมาเพื่อคู่กันเนะี่ยคู่กับไอ้เรื่องพฤติกรรมแรกพื้นฐานของมนุษย์ที่แสวงหาเพื่อได้เพื่อเอาเพื่อเสพเพื่อตนเองก็เป็นการให้ปันแก่ผู้อื่นบ้างเพราะฉะนั้นฐานมาเป็นข้อแรกและทานนี้จะเป็นทานที่คู่กันไปอย่างที่ว่าเมื่อกี้อยู่ในทิศชุดฐานศีลภาวนา น, นี่ก็กว้างที่สุดอยู่ในชุดของพระเจ้าแผ่ดินทศภิราติธรรมอยู่ในชุดของ บารมีสิบประการของพระโพธิสัตว์ก็ได้เราก็อยู่ในชุดอะไรต่างๆอยู่ในชุดสังขา ว, วัตถุสี่สำหรับสังคมทั้งหมดทานปิยวาจาอั ธ, ธยาสมานัตตาทานทั้งนั้นนี้ทานนี้ก็มาเป็นตัวประกอบหนึ่งก็เป็นตัวหนุนศีลพอให้ไปแล้วเนี่ยมันทำให้มนุษย์เนี่ยรักษาศีลง่ายการที่จะไม่เบียดเบียนกันเนี่ยพอมันมีการให้แล้วมนุษย์จะมีมนุษย์บางจะพวกที่ว่า มีแรงภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมเนี่ยน้อยพอขาดแคลนนิดหน่อยหรือแม้แต่ไม่ขาดแคลนเห็นของใครก็อยากได้จะเอาแต่บางคนก็ดีขึ้นอีกหน่อยมีความเข้มแข็งทางศีลธรรมขึ้นมาอีกหน่อยเออถ้าหากว่าไม่ขาดแคลนมากนักก็ไม่เอาละเอะไม่ไปลักไปขโมยไม่ไปเบียดเบียน แต่พอมากเข้าขาดแคลนมากไม่ไหวเหมือนกัน <c oughs> ก็ต้องเอาอย่างนี้เป็นตน้นมนุษย์ก็มีหลายระดับนั้นถ้าก็ให้มีฐานไว้พอเรามามีแบ่งปันกันคอยดูคอยใครขาดแคลนก็ให้เขาอะไรต่างๆการเบียดเบียนการรักแย่งชิงอะไรมันก็น้อยลงไปนั้นก็มาเกื้อหนุนต่อการรักษาสีในสังคมฐานก็เป็นตัวฐานที่จะช่วยสีลไว้ไม่ให้มนุษย์ต้องไปเบียดเบียนกันมากเราจะรักษาสีได้สะดวกขึ้น นี้ต่อไปทานมันก็ไปเป็นประโยชน์เป็นตัวประกอบกระสินแล้วก็ไปประกอบภาวนานี้การให้ทานนี่แม้แต่ผู้ที่บําเพ็ญสมถาวิปัสสนาพุทธเจ้ายังตรัสถึงการบําเพ็ญสมถาภาวนาที่ได้ทานท่านเรียกว่าทานนี้เป็นจิตบริขารการบําเพ็ญทานของผู้บําเพ็ญสมถาภาวนานี่เป็นจิตบริขารและเป็นจิตตาลังการ จิตบริหารจิตตาอลังการเป็นอลังการของจิตแล้วก็เป็นบริขารของจิตเป็นเครื่องช่วยประดับจิตทําให้จิตมันงดงามทําให้เดินหน้าไปในการพัฒนาได้อย่างประเพ็ญสมถะวิปัสสนาก็ช่วยให้ประเพ็ญสมถะวิปัสสนาได้ง่ายมันจิตมันเปิดมันทาให้จิตเนี่ยโล่งออกไปการไปให้ไปสละอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นท่านไม่ให้ขาดเพราะฉะนั้นคขฤาษีหัดนี้ไม่ว่าจะไป บรรลุธรรมชั้นไหนก็ต้องมาเพ็งทานเท่านั้นทานในที่นี้หมายความกว้างนะคือการให้การเรผือแผ่การแบ่งปันการช่วยเหลือกันในสังคมมนุษย์เนี่ยให้มนุษย์อยู่กันดีมีความสุขเนี่ยสำคัญมากนั้นพุทธศาสนาเนี่ยฐานนี่เป็นเรื่องเด่นอยงกระทั่งว่ามองเห็นเมงไทยแล้วนี่เป็นคนที่ให้ง่ายสละง่ายมีน้ําใจแบ่งปันอะไรต่างๆแต่ว่าต้องทําให้ถูกแล้วก็ต้องไปประสานกับการปฏิบัติธรรมอื่นจะเป็นนึกว่า ฉันมาถึงขั้นภาวนาแล้วฉันไม่ต้องทานและอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีทานอยู่ต้องช่วยเหลือแล้วมันจะมาเป็นอย่างที่ว่าพระเจ้าตรัสเป็นจิตตาลังการเป็นจิตบริการแล้วช่วยให้กา ร, รบำเพ็ญสมทาวิปัสสนานั้นได้ผลดียิ่งขึ้นมันเปิดจิตธรรมจิตโล่งโปร่งเบาสลัดออกไปผ่อนคลายนั่นในแง่คฤรหัดทีนี้ในแง่พระ แล้วในแงพระภิกษุล่ะสังคมของพระอย่าไป น, นึกว่าพระจะไม่บัวปฏิบัติธรรมสมาธิวิปัสสนาดูวินัยสิหลักธรรมของท่านนะ่ะเรื่องของพระนี่พื้นฐานต้องเน้นก่อนก็มีหลักธรรมที่เน้นทั้งในพระสุตตานตปิฎกและวินัยปิฎกนะหลักธรรมชุดนี้แปลกนะเน้นทั้งในวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎก คือหลักธรรมชุดที่เรียกว่าสารานิยธรรมหกประการหลักธรรมนี้เป็นหลักธรรมทางสังคมโดยตรงเลยเอาเมตตาอะไรเนี่ยไปรวมโยนนินสร็จออกสู่การปฏิบัติมีอะไรบ้างเอาเอาก่อนว่าพระเจ้าตรัดเน้นสำหรับพระเนี่คือการแบ่งปันลาภเพราะพระนี่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบอาชีพหาวัตถุสิ่งของด้วยตนเองครอบครองทรัพย์สมบัติ โยมนะัม้นีทรัพย์สมบัติเพราะนั้นก็ให้มีทานแต่พระนี่ท่านไม่มีข้อทานมีเพีองกันมีธรรมทานให้ธทำแต่ทีนี้ถ้าเป็นวัตถุท่านบอกว่าแบ่งปันลาบแบ่งปันลาบนี่ก็จะมีในวินัยมากมายถึงหลักการกฎเกณฑ์ ก, ก, กติกาในการแบ่งปันลาภให้เป็นธรรมให้ทั่วถึงอะไรต่างๆแล้วก็มีในหลักธรรมข้อสารานิยธรรมสารานิยธรรมก็เลยเอามาทวนชนิดหนึ่งหข้อหนึ่งอะไร เมตตากายกรรมมีการแสดงออกต่อกันทางกายด้วยเมตตาช่วยเหลือเอื้อเฟือกันนะมีอะไรต้องช่วยก็ช่วยกันในทางกาย2เมตตาวจีกรรมพู้จ่าได้ใจรักกันเลือกใจปรารถนาดีถ้อยคําสุ ภ, ภาพอ่อนโยนปรารถนาดีแนะนําอะไรต่างๆสก็เมตตามโนกรรมคิดต่อกันในทางที่ดีมีใจหวังดีปรารถนาดีต่อกัน แล้วก็สี่สาธารณโภคีหรือสาธารณโภกิตาก็ได้มาแบ่งกันกินใช้หมายความว่ามีของมาแล้วก็เพื่อแผ่แบ่งปันกันให้ทั่วถึงสาธารณโรควีโควีโภคะแปลว่าสเสบยหรือบริโภคสาธารณะให้เป็นของสาธารณะให้ทั่วกันนี่ข้อที่สี่และหนึ่งวัตถุ พุทธเจ้าเน้นเรื่องวัตถุเนี่เน้นมากสําหรับพระนี่วินัยมีแต่เรื่องวัตถุกับสังคมนั้นจะไปมองดูธรรมะพุทธศาสนาเฉพาะในหลักธรรมอย่างเดียวถ้านเรียกว่าธรรมวินยัยต้องดูให้ครบวิ น, ยนัยในด้านวัตถุกับด้านสังคมทั้งนั้นเลยแล้วก็ต่อไปศีร ส, สามั ญ, ญาตามีศีลเสมอกันเสมอกันต่อหน้ากฎหมายนอกจากนั้นก็คือว่าประพฤติให้มันเสมอกัน ให้มีคุณธรรมมีศรรมีลมีมีการปฏิบัติตามพระวินัยเสมอเหมือนกันไม่ทําตัวให้เป็นที่น่ารังเกียจแล้วก็ทิฏฐิสามัญญตามีทิฏฐิมีหลักการที่ยึดถือร่วมกันเสมอกันก็หกข้อ น, นี้อันนี้จะเน้นมากสําหรับพระก็เป็นหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันเท่านั้นเลยสําหรับครรภัตก็จะไปเน้นทานแล้วก็โยงไปหา ถ้าชุดพัฒนาตัวเองก็ทานสีภาวนาถ้าชุดที่อยู่ร่วมกันก็สังขาวัตถุสี่สังขาวัตถุสี่ท่านคงจํากันได้แล้วมันเป็นชุดที่ประสานคู่กับชุดภายในภายในเรามีเมตตากรุณามุ้ทิตาเบาิกขาเป็นชุดประจําใจเขาเรียกว่าพรหมวิหารทําประจําใจของพรหมหรือทําประจําใจอันประเสริฐ อ, อันนี้มีแต่รำมาประจําใจอันเดียวจะไปเหมือนอย่างที่ฝรั่งคนหนึ่งเขาไปเขียนว่าสังคมพุทธ บอกว่าได้ดนอนแผน่เมตตายอยู่ในมุ้งว่างันเคยอ่านไหมเ <laughs> มื่อสัก4ี่หสิบปีแล้วมีฝรั่งคนหนึ่งเขาเขียนเรื่องสังคมเ้าท์เอเชียวิเคราะห์ประเทศไทยอะไรนี้ด้วยแล้วก็พูดถึงการปฏิบัติธรรมคนไทยเออท่านนี้เดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกมาอยู่ในคณะที่ตอนจะตั้งคณะรัฐประศาสนาศาสตร์ไปเป็นนิดา <laughs> จากธรรมศาสตร์นตอนนั้น ไปมีคณะรัฐประศาสนาศาสตร์ไปตั้งที่นิดาเกิดสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์เนี่ยอาจารย์ท่านเนียมาจากมาไวเลยอินเดียนามาอยู่ในโครงการเนี่ยท่านก็มาวิเคราะห์สังคมไทยเรื่องพุทธศาสนากับการพัฒนาอะไรด้วยแล้วก็มีฝรั่งคนอื่นที่ก็ไปอ้างฝรั่งอีกคนอื่นด้วยจะไปอ้างอัลเบิร์ตชวยเซอร์หรือไงเนี่ยนะคือท่านเหล่านี้ก็จะไปโทษท่าน คนไทยเราคงจะประพฤติไม่ถูกตามธรรมะทำให้เขาเห็นแล้วเขาก็เลยไปตั้งข้อรังเกียจิแล้วบอกคนไทยเนี่ยที่ว่าทำความดีก็คือไปนั่งแผ่เมตตาอยู่ในมุ้งขอภัยนอนแผ่เลยก็ไม่ต้องทำอะไรบอกว่าพฤติดีแล้วนอนแผ่เมตตาธรรมะเนี่ยมีคู่เป็นชุดพรหมวิหารสีเมตตากรุณามุ้ทิตาเบกขาเป็นธรรมะประจาใจ แล้วภาคแสดงออกนั่นเป็นสังหาวัตถุสี่ท่านเราจับคู่สี่สี่เท่ากันแล้วมันเป็นชุดกันเลยหนึ่งเมตตาก็ไปแสดงออกให้เพื่อแสดงความรักความปรารถนาดีต่อกันเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ให้แบ่งปันกันเอือเพื่ออบอ้อมอรีเรียกว่าให้ด้เมตตาอันนั้นก็ไปทานเหมือนกันนะทานด้เมตตานี้ถ้าเขามีความทุกข์เดือดร้อน อยากไรเจ็บใข้ได้ป่วยก็ไปให้ <Yeah. S 1> ให้ด้วยการุณาสามเขาทำความดีสร้างสรรค์ทิ่งที่เป็นความเจริญงอก ง, งามของสังคมเป็นนักประดิษฐ์ะอะไรต่ขาดแคลนเงินเราก็ไปช่วยเรียกว่าให้ด้วยมุติตาไปให้เพื่อส่งเสริมนี่อาและทานข้อเดียวเนี่ยแสดงออกสามข้อในสังฆวัตถุสี ต่อไปก็ปิยาวาจาพูดดีพูดด้วยใจรักผู้วยใจรักหนึ่งดพูดเด้วยเมตตาก็อยู่กันตามปกติเนี่ยก็พูดด้วยความรักความปรารถนาดีพูดวาจาสุภาพอ่อนโยนต่อกันนี่ก็เป็นปิยาวาจาเด้วยเมตตานี่คนนั้นเขาเดือดร้อนมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตเราก็ไปพูดปลอบโยนปิยาวาจาก็ไปแนะนํา หาทางที่จะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆให้กําลังใจอันนี้เรียกว่าปิยาวาจาด้วยกรุณานี่เขาทาความดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามไปทําบุญทำกุศลแล้วก็พูดอนุโมทนาส่งเสริมเรียกว่าปิยาวาจาด้วยมุทิตาทีนี้ต่อไปก็สามอัธธิยาบําเษกประโยชน์ทําประโยชน์แก่เขาทําด้วยความรักความปรารถนาดีในยามปกตินี่ก็ได้ก็เรียกว่าอัธยาภิยาได้เมตตา น, นี่ต่อไปเขามีความทุกข์เดือดร้อนต้องการกําลังเรี่ยวแรงกําลังช่วยเหลือเราก็ไปช่วยให้เขาพ้นจากปัญหาแก้ปัญหาไปช่วยด้วยกําลังเรี่ยวแรงกําลังกายหรือกําลังปัญญาความสามารถก็ไปพ้นแก้ไขเขาพ้นทุกพ้นปัญหาได้ก็เป็นการอัตถจริยาด้วยกรุณาแล้วก็ไปช่วยส่งเสริมการทําความดีเช่นสตก่อนได้มีงานวัดมาทํางานวัดมาจัดเตรียมการต่างๆ การญาติโยมก็มาอัจริยามาบรรเป็นประโยชน์ช่วยจัดช่วยเตรียมงานอะไรต่างๆส่งเสริมการทำความดีก็เป็นอัจรยิยไในมุทิตาเนี่ยภาคสังขวัตถูกเป็นภาคแสดงออกจะไปมัวจมอยู่แค่เมตตากรุณามุทิตาไม่ได้อยู่ฝรั่งว่าอย่างที่ว่าเอออย่าไปให้สมกับที่ฝรั่งเขาว่าก็สมให้เขาว่าแล้วอย่าไปด่าเขา ทีนี้ก็ต่อไปข้อสุดท้ายสมานัตตาเพราะมีตนเสมอมีตนเสมอก็หมายความว่าเสมอกันมีความเป็นธรรมเที่ยงธรรมนีก็เข้าเข้าอุเบกขาใช่ไหมเนีอุเบกขาก็เหมาะแสดงออกที่สมานัตตามีความมีตนเสมอกั น, นไม่เลือกที่รักมักที่ชังหรือไม่เลือกที่รักผักที่ชังแล้วก็ไม่ดูถูกดูหมิ่นกันน แล้วก็มีความเป็นธรรมแล้วก็ทําตนให้เข้ากันได้ในที่สุดสมานาตตาก็เข้ากันไดน้มีความเป็นธรรมแล้วไม่ดูถูกดูหมิ่นกันแล้วก็เข้ากันได้ดีก็เนี่ยก็ชุดเนี่ยก็จะสร้างความเป็นสุขในทางสังคมและตัวเราเองเวลาเราไปปฏิบัติธรรมะเหล่านี้ก็คือการปฏิบัติธรรมของตัวเองนั่นแหละการทำเพื่อผู้อื่นก็คือการปฏิบัติธรรมของตัวเองเราก็พัฒนาชีวิตตัวเองให้ดูพระโพธิสัตว์ พระโพธสัตว์ท่านปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีในการไปช่วยคนอื่นใช่ไหมการช่วยผู้อื่นนั้นปฏิบัติธรรมอย่างดีเลยเพราะมันต้องใช้ปัญญาความสามารถการฝึกตนอย่างสูงไปช่วยแก้ปัญหาเท่าทีหนึ่งนี่แม้กว่าจะแก้สําเร็จเรานี่พัฒนาเยอะเลยสติปัญญาความสามารถอะไรยนี่พัฒนาเยอะพรดฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องไปในลักษณะที่พระพทเจ้าตรัสไว้ พระพุทธเจ้าตรัสเป็นคู่วันนี่หนึ่งโคที่หนึ่งไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นต่อมาก็ทําประโยชน์ตนทําประโยชน์ผู้อื่นคู่กันอัตตถาปรัตถะคู่กันถ้าแยกเป็นสามก็อัตตถาปรัตถะอุปยัตถาประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ร่วมกันแต่โดยมากก็แบ่งแค่สองพอประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นสองอันนี้จะเป็นคู่กันอยู่เสมอ อาก็ให้โยมสังเกตไว้ก็เป็นอันว่าเอาเรื่องนี้มาเน้นไว้หน่อยแล้วของพระนี่นอกจากเน้นเรื่องปัญญาบก็คือเน้นเรื่องความสามารถขีถือเรื่องสังฆสามดิ์ขีนี้สําคัญมากตรงข้ามสังฆเพศนี่ถือเป็นอนันตริยกรรมบาปหนักที่สุดเลยฉะนั้นถือเรื่องความสามารถขีข้หมู่ชนนี้เป็นอันดับหนึ่งอย่างพระสาวกฝ่ายกฤหัสที่ได้รับยกย่องเป็นเอ ต, ตัคคะเนี่ย มีสองท่านที่เป็นคล้ายๆกับอัครสาวก ค, คือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีอัครสาวกเป็นพระภิกษุสององค์ก็คือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวิกาก็สององค์ก็คือพระเขมาเลิศทางปัญญากับพระอุบลวรรณนะแล้วต่อมาทางคฤหัตก็มีคู่อัคระ จะเรียกว่าอัครอุบาสกก็ได้นะอุบาสกถือเป็นยอดเป็นคู่หนึ่งก็คือท่านจิตตะคณาบดีเป็นเลิศทางธรรมกรัตถกเป็นนักแสดงธรรมเก่งในพระไตรวิฎกมีหลายแห่งที่เป็นพระสูตรของท่านคณาบดีผู้นี้ไปพูดธรรมะให้พระฝังด้วยเป็นเอตตะคะ แล้วก็อีกท่านหนึ่งชื่อหัตถาละวะกะเป็นเอตตะคะในทางรวมใจหมู่ชนหมายความว่าสร้างความสามัคคีขว้างความเป็นปลุกแผ่นในสังคมด้วยหลักสังขาวัตถุสี่เนี่ยก็คือท่านหัตถาละวะกะนี้เป็นผู้สามารถในการใช้สังขาวัตถุสี่ประการทําให้หมู่ชนของท่านเนี่ยอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีแน่นแฟน ก็เป็นอัครอุบาสกเป็นเอตถะคะเลยแล้วก็อุบาสิกาเอตถะคะท่านหนึ่งก็ขุดชุดราเป็นเอตถะคะทางพระหูสูตรหูสูตรก็คือเป็นผู้ที่ได้เรียนได้ทรงจํามากมีพระ ส, สูตรอยู่ในราสักแปดสิบสูตรได้ใกล้ๆจํานวนนี้ที่มาจากท่านขุดชุดราเป็นผู้รักษาไว้ ในพระไตรปิฎกเล่ม25คือท่านเป็นอุบาสิกาแล้วก็ไปฟังตอนพระพุทธเจ้าประทับที่เมืองโกสัมพีไปฟังประจำทุกวันแล้วท่านเป็นผู้มีความจำเลิศเก่ง <c oughs> ท่านก็จำได้แล้วก็เอามาสาธยายให้ภิกษณุณีฟังภิกษุณีก็เอามาบอกกับภิกษุทั้งหลายเวลาสังฆายนาก็เอามา แสดงสาธารณ่ายด้วยก็เลยมาอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นพระสูตรของพระเจ้าเจ้าแหละแต่ว่าท่านอุบาสิกาผูเนี้ที่เป็นเอตตะคะทางภูสูตรแล้วก็เป็นอัครอุปถายิกาเนี่ยเป็นผู้ที่รักษาไว้ให้ก็มีบทบาทสําคัญแล้วก็อีกท่านหนึ่งชื่อ น, น, น, นันทมันดานันธมันด า, า, านี่เอตตะคะทางฌานก็หมายความว่าทั้งในทั้งนอกเดี๋ยวตะคู่กันเอาละอันนี้ก็นอกเรื่องไปแล้ว ว่าไปท่านก็เน้นความสามัคคีที่ว่าเนี่ยในหมู่สงฆ์แล้วก็ค้ารือหัดก็เน้นสังขา ว, วัตถุ ก, ก็สามัคคีเหมือนกันและในหมู่ชนเนี่ยพุทธศาสนาถือสําคัญมาก อ, อย่าไป น, นึกว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะตัวเฉพาะตัวก็หมายความเราจะพัฒนาได้เนี่ยเราก็ต้องพึ่งตนเองทํำด้วยตนเองแล้วว่าคนอื่นช่วยเราได้ไหมก็ช่วยได้ช่วยได้เป็นปัจจัยภายนอกก็เราไม่เรียนไม่มีครูมาสอนแล้วเราจะรู้ได้ไง ทีนี้เอาละครูเอาปัญญามายัดให้เราได้ไหมบอกไม่ได้ใช่ไหมบอกปัญญามาใส่ให้กันได้ไหมไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องใช้ปัจจัยภายในของเรารู้จักฟังตั้งใจฟังเออจากพิจารณามีโยนิสมรจิการและสิ่งที่สดับมาเป็นข้อมูลเป็นสุตะมันก็เกิดเป็นปัญญาของเราไม่ใช่ว่าครูอาจารย์เอาปัญญามายัดใส่ให้ใช่ไหมเคยย้ำบ่อ ย, บ อ, ยบอกโยมขอศีลพระ พระบอกอุ้ยฉันให้ไม่ได้หลกศีลโยมต้องปฏิบัติเองเอา้าวล้วทําไงล่ะโยมมาขอศีลมายังพันเตจิสรณีนัสหาปัญจะศีลานิยัต จ, จามะท่านขอรับกับผมทั้งหลายดิฉันทั้งหลายขอศีลห้าพระนี่พูดในใจบอกว่าฉันให้ไม่ได้หรอกโยมศีลใครจะไปให้กันได้หรอโยมนะศีลเนี่ยให้ไม่ได้หรอกศีลมาเกิดในตัวจากการปฏิบัติ แล้วจะให้อะไรได้เอา้าโยมอยากได้ศีลนะโยมเอาอันนี้ไปรักษาไปปฏิบัติแล้วโยมจะมีศีลเองก็บอกสิกขาบทให้โยมขอศีลพระบอกสิกขาบทให้ไม่ใช่ให้นะบอกให้บอกให้ไปปฏิบัติอ่าโยมก็เอาเอาตกลงตกลงก็ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบังสมาธิยามิขะเจ้าตกลงยอมรับว่าจะไปสมาทาน ข้อปฏิบัติในการงดเว้นจากการทำชีวิตศัสตว์ให้ตกล่วงเรียกว่าศิกขาบทและข้อฝึกโยมขอศีลพระบอกข้อฝึกให้และโยมไปฝึกปฏิบัติตามนั้นโยมก็มีศีลเองโยมขอสมาธิพระก็บอกว่าเอ้ยฉันให้ไม่ได้หรอกสมาธิให้ได้ยังไงโยมต้องปฏิบัติเอาเองอายัางไงฉันบอกกรรมฐานให้บอกกรรมฐานก็คือวิธีปฏิบัติสิ่งที่จะไปใช้ปฏิบัติ บอกกรรมฐานน่ะพระท่านบอกได้กรรมฐานท่านให้สมาธิไม่ได้พโยมพอได้รับบอกกรรมฐานไปแล้วก็เอาไปใช้ปฏิบัติฝึกตัวเองก็เกิดสมาธิขึ้นมาโยมขอปัญญาพระก็เหมืนกันแหละแต่ บ, บอกว่าฉันให้ไม่ได้หรอกปัญญาเนี่ยฉันบอกสุตะให้นีฉันบอกข้อมูลฉันบอกคําสอนแล้วคุณก็ไปพิจารณาใจตรองเอาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจนี อย่างนี้เป็นต้นแปลว่าเรื่องนี้ก็ผ่านๆไปก็คือแทรกแรกเข้ามาคือการที่เราปฏิบัติธรรมในทางสังคมเนี่ยมันมีผลทั้งสองประการหนึ่งตัวเราเวลาเราปฏิบัติธรรมทางสังคมช่วยเหลือเพื่อนบุญนุษย์เนี่ยเราก็ปฏิบัติธรรมด้วยตนเองเป็นการฝึกตนอย่างดีมากแล้วก็สองก็คือว่าเราสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ที่กลับมาหนุนให้เราปฏิบัติธรรมได้สะดวกขึ้นเมื่อสังคมเนี่ยมีแต่ความวุ่นวายเบียดเบียนกันเนี่ยแล้วเราจะไปปฏิบัติไงโดยเฉพาะในหมู่สงฆ์เนี่ยอยู่ร่วมกันก็ต้องทำสังฆะเนี่ยให้เรียบร้อยมีความสามคัคคีร่วมมือกันดีแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เอือ้อแต่ละคนนั้นจะปฏิบัติธรรมจะทำงานทำการอะไรในชีวิตประจาวันไม่เฉพาะต้อง เขามาช่วยให้แรงหรอกแม้แต่เขาไม่มาให้แรงเราก็ทำด้วยความสบายใจคือสภาพแวดล้อมสภาพสังคมนั้นเป็นสภาพที่เอื้อเกื้อหนุนต่อการปฏิบัติต่อการทํางานทําการในตารางทุกอย่างของเราเองมันกลับมาสองทางทั้งตัวเองก็ได้โดยตรงทั้งเอื้อกลับมาด้วยนั้นในทางสังคมนี้พุทธศาสนาจึงเน้นนักหนาแล้วมองพุทธศาสนาจะมองเฉพาะธรรมะไม่ได้ต้องมองธรรมวินัยด้วย แล้วก็มันจะมีธรรมะประเภทหนึ่งที่โยงระหว่างธรรมะกับวินัยซึ่งจะเน้นมากในเชิงวัตถุ ก, กับสังคมเรื่องนี้ก็มีมากมายแหะเพราะว่าอย่างน้อยเวลาเราไปปฏิบัติธรรมเชิงสังคมเนี่ยได้ปีติปลาโมนก็ได้คุณธรรมสำคัญประจำใจในการที่จะพัฒนาชีวิตแหละก็ขอให้โยมจำไว้อย่างไงก็ให้คู่กันสองชุดเนีย คือในเชิงสังคมก็มีพรมวิหารสี่เมตตากรุณามุติตาเบิกขาและจะออกสู่การปฏิบัติก็สังหาวัตถุสี่แต่ในใจก็คือให้มีพรมวิหารสี่ซึ่งจะเป็นตัวทำให้เกิดความสุขร่วมกันแล้วก็อีกอันหนึ่งพร้อมกันนั้นในใจเขาตัวเองเพื่อพัฒนาการในชีวิตของตนก็ให้มีชุด5ธรรมสมาธิเนี่ยปราโมดปิติปสัสสิสุขสมาธิอันนี้ต้องให้มีอย่างน้อยข้อที่หนึ่งนะให้มีประจาใจ พอพระพุทธเจ้าตรัสเน้นไว้เสมอแม้แต่พระโสดาบันเนี่ย พ, พุทธเจ้ายัางตรัสพระโสดาบันเนี่ยท่านปฏิบัติธรรมของท่านไปเนี่ยพระองค์ทรงอุปมาว่าเหมือนอย่างแม่โคแม่โคเล็มหญ้าไปก็ดูแลลูกน้อยไปด้วย น, วนั่นว่ามันให้คนทั้งหลายเนี่ยถ้าจะประพฤติอย่างพระโสดาบันก็ต้องประพฤติอย่างนี้นี่ไม่ใช่ไป เอาแต่ตัวถ้าจำไว้นะพระโสดาบันเนี่ยเหมือนแม่โคที่เล็มหญ้าไปก็ดูแลลูกน้อยไปด้วยเออเขาได้กินไหมเขาอิ่มไหมดูเ็าไปด้วยนะเอาละอันนี้ก็ขอผ่านไป